ธรมบทแปลเรื่องพระสารีบุตรเทระภาคที่แปดเรื่องที่สองพระาศาสดาประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารบพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนานิวาอากโกทนังแปลว่าผู้ไม่โกรธเป็นต้นตอนพระสารีบุตร สละทรัพย์ออกบวชได้ยินว่าในครั้งนั้นพระเตระเที่ยวใบบินาบาบพร้อมกับภิกษุห้ารอรูปมาถึงประตูบ้านของมารดาในบ้านนาละกะคือนาลันตาครั้งนั้นนางนิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วขณะถวายอาหารคืออังฆาดอยู่ได้กลนดาขึ้นว่า พ่อหมหาเจมเรนเพราะคนกินเดนเมื่อไม่ได้น้ำข้าวที่เป็นเดนก็กวรแล้วที่จะกินน้ำข้าวติดหลังกระบวยในเรือนคนอื่นพ่อทิ้งทรัพย์แปดสิบโกดบวช้อได้ทำให้เราชิบหายหมดบัดนี้พ่อจงฉันเข้าไปก็เมื่อตวายพัดแก่ภิกษุก็พูดกลนด่าขึ้นว่าภิกษุของฉัน ผูพวกท่านทำให้เป็นคนรับใช้ไปเสียแล้วเอา้าจงฉันเข้าไปพระเถระรับภิกษาแล้วได้ตรงกลับไปยังวิหารทันทีพระนั้นท่านพระราหุล น, นำบินบาตไปถวายพระาศาสดาที่นั้นพระาศาสดาจึงตรัสถามว่าราหุลพวกเธอไปไหนมาพระราหุล ไปบ้านของย่าพระชจ้ข้าพระศาสดาก็ย่าพูดกับอุปชัยยะของเธออย่างไรบ้างราหุลพระอุปชัยยะถูกย่าด่าพระชจ้ข้าพระศาสดาด่าว่าอย่างไรด่าว่าอย่างนี้อย่างนี้พระชจ้าก็แล้วอุปชัยยะของเธอว่าอย่างไรละ่ะไม่ว่าอะไรอะไรเลยพระชจ้ข้าตอน ภิกษุทั้งหลายสรเสริญพระเทระกะเมืเสภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วสนทนากันในโรงตามว่าผู้เมีย อ, อยู่ทั้งหลายคุณของพระสารีบุตรเทระน่าสะใจเนอถึงถูกโยมมารดาด่าขนาดนั้นก็ไม่โกรธแม้เพียงนิดเดียวพระสาสดาเสด็จมาตรานตามว่าภิกษุทั้งหลาย ขณะ น, นี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องหลายกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระกีนาศพย่อมเป็นผู้ไม่โกรธแล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีข้อวัดมีศีล ไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นฝึกตนแล้วมีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายนั้นว่าเป็นปรามบาลีว่าอกโกทนังวัตตะวันตังสีละวันตังอนุสสะังทันตังอันติมาสารีรังตะมะหังปรูมิปรมามนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าวัตตะวันตังแปล ว, ว่ามีข้อวัดเป็นต้นหมายความว่าผู้ประกอบด้วยข้อวัดเช่นทุดงกวัตผู้มีศีลด้วยปาริสุทธิศีนสีก็คำว่าอนุสักังแปล ว, ว่าผู้ชื่อว่าไม่มีตนาคเครื่องฟูขึ้นเพราะไม่มีสิ่งฟูขึ้นคือตนาคำว่าทันตัง คือผู้ชื่อว่าฝึกตนแล้วเพราะฝึกอินทรีทั้งหกกลาว่าอันติมะสรีรังคือผู้ชื่อว่ามีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเพราะเกิดเป็นชาติสุดท้ายเรียกผู้นั้นนั่นแหละว่าเป็นพรามในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปติผลเป็นต้นแล้วแหละ เรื่องปราสาริบุตรเทระ